วรุณะวักหมวดว่าด้วยไม้กลุ่มหนึ่งวรุณชาดกว่าด้วยมานพหักไม้กลุ่มพระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ที่สาป่าโมกได้ฟังการงานที่มานพกระทําจึงบอกถึงเหตุแห่งความเสื่อมว่างานซึ่งควรทําก่อนเขา ท, ทําทีหลังเขาจะเดือดร้อนในภายหลังเหมือนมานพหักไม้กลุ่มวรุณชาดกที่หนึ่งจบ 2. ส, สีละวะนาคชาดกว่าด้วยพยาชางสีละวะรุกเทวดาสถิตยอยู่ในไพรสนนั้นในเวลาที่คนชั่วถูกแผ่นดินสูบจึงกล่าวว่าคนอกตันยูคอยจับผิดอยู่เป็นนิดถึงจะให้แผ่นดินทั้งหมดก็ทำให้เขาพึ่งพอใจไม่ได้สีละวะนาคชาดกที่สองจบ 3. ส, สัจจังกิระชาดก ว่าด้วยความจริงที่ได้ยินมาพระเรศีโพธิสัตว์ไม่คร่ำครวญไม่สะทกสะทานในที่ตนถูกตีจึงกล่าวว่าได้ยินว่าคนบางพวกในโลกนี้ได้กล่าวความจริงไว้อย่างนี้ว่าไม้ลอยน้ายังดีกว่าส่วนคนบางคนที่ประทุศร้ายมิตรไม่ดีเลยซาเจงกิรชาดกที่สามจบ 4. ีรุขธรรมชาดก ว่าด้วยธรรมสำหรับต้นไม้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่เหล่าเทวดาว่ายติยิ่งมีมากยิ่งดีแม้ต้นไม้ที่เกิดในป่ายิ่งมีมากก็ยิ่งดีต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่โดดเดียวถึงจะใหญ่โตลมย่อมพัดให้หักโค่นได้รุกขธรร ม, มชาดกที่สี่จบหมัจฉาชาดกว่าด้วยปลาอ้อนวอนขอฝน ปลาโพธิสัตว์เรียกพระเจ้าปชัชชนเทพว่าปชัชชนเทพท่านจงร้องคำรามให้ฝนตกมาทำลายขุมทรัพย์ของฝูงกาทำฝูงกาให้ได้รับความเศร้าโศกและช่วยปลดปรื่มงขาราพเจ้าและหมู่ญาติให้พ้นจากความเศร้าโศกเถิดมั ช, ชาดกที่หจบ 6. อสังกิยชาดกว่าด้วยความไม่หวาดระแวง โรศีโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่พวกพ่อค้าเกวียนว่าเราไม่มีความหวาดระแวงในหมู่บ้านทั้งไม่มีความกลัวในป่าเรามุ่งขึ้นสู่ทางตรงด้วยเมตตาและกรุณาอาสังกิยชาดกที่6จบ 7. มหาสุปินาชาดกว่าด้วยมหาสุบินพระเจ้าพรหมทัตต ร, รัสเล่าพระสุบินให้ดาบทโพธิสัตว์ฟังตามที่ได้ทรงสุบินว่า พญาโคอุสภะหมู่ไม้แม่โคโคผู้มา้าทาทองคำสุนักจิงจอกหม้อน้ำซาโบโคอรณีข้าวไม่สุกแก่นจันน้ำเต้าจมน้ำหินลอยน้ำกบกลืนกินงูเห่าหง์ทองทั้งหลายแวดล้อมกาเสือเหลืองกลัวแพะความฝันเป็นไปโดยวิปริตแต่ความฝันนั้นยังไม่เป็นจริงในยุคนี้ มหาสุ ป, ปินณชาดกที่เจ็ดจบ 8. อิลิสะชาดกว่าด้วยอิลิสะเศรษฐีช่างตัดผมโพธิสัตว์ถูพระราชาตรัสสั่งให้หาอิลิสะเศรษฐีเมื่อไม่สามารถจะนำอิลิสะเศรษฐีมาได้จึงกราบทูลว่าคนทั้งสองเป็นคนกระจอกเป็นคนง่อยเปลี้ยเป็นคนตาเลมีปม ง, งอกที่ศีรษะข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักว่า คนไหนคืออีลิสะเซธีอีลิษะชาดกที่แปดจบเก้าครัสระชาดกว่าด้วยเสียงดังอึกทึกครึกโครมพระโพธิสัตว์กล่าวคาถานี้ตำหนิ ก, กำนันผู้ร่วมมือกับพวกโจรปล้นชาวบ้านว่าคราวใดชาวบ้านถูกปล้นฝูงโคถูกเชือดบ้านเรือนถูกเผา ว, วอดวายผู้คนถูกเกณนไป คราวนั้นลูกที่ถูกแม่ทอดทิ้งจึงมาตีกลองจนอึกระทึกครึกโครมขรสระชาดกที่เกจบ 10. พีมะเสนชาดกว่าด้วยท่านพีมะเสนะชอบคุยโวโอโอวดจูลธนุขหะบัณฑิตโพธิสัตว์กล่าวตำหนิพีมะเสนะผู้คุยโวโอโอวดว่าพีมาเสนะ คำที่ท่านข่มขู่คุยโวไว้ในตอนแรกแต่ภายหลังท่านถึงกับปัสสวะราชคำคุยโวถึงการรบและความกระสับกระส่ายของท่านทั้งสองอย่างนี้ช่างไม่สมกันเลยพีมเสนาชาดกที่10บจบวรุณวัคที่8จบรวมชาดกที่มีในวัคนี้คือ 1. วรุณชาดก 2. ศสีลวะวนาคชาดก สสัจจังกิรชาดก 4. รุขคธรรมชาดก 5. มัชชชาดก 6. อสังกิยชาดก 7. มหาสุปินาชาดก 8. อิลิสะชาดก 9. ครัสระชาดก 10. พีมเสนาชาดก ปายิมหวักหมวดว่าด้วยการดื่มสุราหนึ่งสุราปานชาดกว่าด้วยโทษของการดื่มสุราเหล่าดาบทถูกพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นอาจารย์ถามจึงบอกเรื่องที่พวกตนดื่มสุราเมาแล้วพากันฟ้อนรำขับร้องว่าพวกกระผมได้พากันดื่มพากันฟ้อนรำพากันขับร้องแล้วก็พากันร้องไห้เพราะดื่มสุราที่ทาให้สัญญาวิปริต แต่ยังดีที่ไม่ได้กลายเป็นลิงให้เห็นสุราปนาชาดกที่หนึ่งจบ 2. มิตรวินทชาดกว่าด้วยนายมิตาวินทะถูกจากหินบทขยี้เทพบุตรโพธิสัตว์เห็นนายมิตาวินทะตกนรกจึงกล่าวว่าท่านล่วงเลยประสาทแก้วพลึกประสาทเงินและประสาทแก้วมณีไปแล้วมาถูกจากหินบทขยี้อยู่ ท่านจากไม่พ้นจากจากหินตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่มิตรวินทชาดกที่สองจบ 3. กาละกันนิชาดกว่าด้วยมิตรชื่อกาละกันนีเษธีโพธิสัตผู้ทัดทานพวกคนที่ให้ไล่มิตรออกจากเรือนว่าบุคคลชื่อว่าเป็นมิตรเพราะเดินร่วมกันเจก้าวเท่านั้นชื่อว่าเป็นสหายเพราะเดินร่วมกันสองก้าว ชื่อว่าเป็นญาติเพราะอยู่ร่วมกันหนึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนชื่อว่าเสมอกับตนก็เพราะอยู่ร่วมกันยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้านั้นจะพึงละทิ้งมิตรที่ชื่อกาละกันนีซึ่งสนิทสนมกันมานานเพราะเหตุแห่งความสุขส่วนตัวได้อย่างไรกาละกันนิชาดกที่สจบ 4. ี่อัทธะทวารชาดกว่าด้วยช่องทางแห่งประโยชน์ เศรษฐีโพธิสัตว์แก้ปัญหาของบุตรชายถามถึงช่องทางแห่งประโยชน์ว่าบุคคลควรปรารถนาลาบอย่างยิ่งคือ 1. ความไม่มีโรค 2. สศีล 3. การคล้อยตามความรู้ของท่านผู้ฉลาด 4. การสดับตรับฟัง 5. การประพฤติสมควรแก่ธรรม 6. ความที่จิตไม่หดหูคุณธรรมหกประการ น, นี้เป็นช่องทางหลักแห่งประโยชน์ อัทสทวาราชาดกที่สจบ 5. กิมะปักกะชาดกว่าด้วยกามเปรียบเหมือนผลไม้มีพิษ ช, ชื่อกิมะปักกะพระศาสดาตรัสเปรียบการบริโภคกามาคุณเหมือนการบริโภคผลไม้มีพิษแก่กุลบุตรผู้บวชถวายชีวิตว่าบุคคลใดไม่รู้จักโทษในอนาคตและมัวแต่เสพกรรมอยู่ในที่สุด การทั้งหลายเนื้อคราวให้ผลย่อมขจัดบุคคลนั้นเช่นเดียวกับผลไม้มีพิษ ช, ชื่อกิมะปักกะขจัดผู้บริโภคกิมะปักกะชาดกที่ห้าจบ 6. ศีลวิมังส ก, กะชาดกว่าด้วยการพิจารณาอนิสงค์ของศีลพระโพธิสัตว์ครั้งสวยพระชาติเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพรมทัศสันเสริญศีลว่าได้ยินว่า ศีลเป็นสิ่งที่ดีงามศีลเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลกดูเถิดนาที่มีพิษร้ายแรงยังไม่เบียดเบียนใครๆเพราะสำนึกอยู่ว่าตนมีศีลสีสลวีมังส ก, กะชาดกที่หจบ 7. มังคละชาดกว่าด้วยการถอนมงคลพระศ า, าสดาทรงสแสดงธรรมแก่พราหมณ์ว่าผู้ใดถอนทิฏฐิเรื่องมงคลอุบาท ความฝันและลักษณะได้แล้วผู้นั้นล่วงพ้นสิ่งอันเป็นมงคลและโทษทั้งปวงครอบเมืองกิเลสเป็นคู่คู่และโยคะทั้งสองประการได้แล้วไม่กลับมาเกิดอีกมังคะะชาดกที่เจ็จบ 8. สารัมพชาดกว่าด้วยโคชื่อสารัมพะพระาศาสดาตรัสารัมพชาดกแล้วจึงตรัสพระคถานี้ว่า บุคคลควรพูดคำที่ดีงามเท่านั้นไม่ควรพูดคำที่ชั่วยาบเลยการพูดคำที่ดีงามเป็นการดีบุคคลย่อมเดือดร้อนเพราะพูดคำชั่วยาบสารัมพะชาดกที่8ดจบเก้ากูหกชาดกว่าด้วยดาบทโกหกพระโพธิสัตว์ติเตียนดาบทโกหกว่าทอยคำของท่านช่างไพเราะอ่อนหวานเสียนี่ะไร ท่านรังเกียจกระทั่งหญ้าเส้นเดียวแต่เมื่อขโมยทองคำไปตั้งร้อยแท่งกลับไม่รังเกียจเลยปุหกะชาดกที่9จบ 10. อากตันยุชาดกว่าด้วยคนอากตันยูเษธีโพธิสัตแสดงธรรมแก่บริษัทว่าผู้ใดไม่รู้จักคุณความดีและประโยชน์ที่ผู้อื่นกระทําไว้ก่อน ผู้นั้นเมื่อกิจการงานเกิดขึ้นในภายหลังย่อมหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้อากตัญยุชาดกที่10จบอปาญิมหาวัคที่9จบรวมชาดกที่มีในวั์นี้คือ 1. สุราปานชาดก 2. มิตวินทชาดก 3. กาลกันนิชาดก 4. อัทธสทวารชาดก 5. า มกมปกะชาดก 6. ศสีลวิมังสกะชาดก 7. มังคละชาดก 8. สารัมภะชาดก 9. กุหกะชาดก 10. อากตัญยุชาดก 10. ลิตะวักโหมวดว่าด้วยลูกสกาเคลือบยาพิษหนึ่งลิตะชาดกว่าด้วยลูกสกาเคลือบยาพิษนักสกาโพธิสัตว์เตือนนักเลงสกาโกงว่าบุรุษกลืนลูกสกาที่เคลือบยาพิษอย่างแรงกล้าก็ยังไม่รู้ตัวเฮ้ยเจ้านักเลงชั่วเจ้าจุงกลือนเข้าไปพิษร้ายแรงจกออกฤทธิ์แก่เจ้าในภายหลังลิตะชาดกที่หนึ่งจบ 2. มหาสารชาดกว่าด้วยต้องการคนที่เหมาะสมกับเหตุการณ์พระราชาทรงชมเชยพระโพธิสัตว์ผู้เป็นอมตะว่าเมื่อถึงยามคับขันประชาชนต้องการผู้กล้าหาญเมื่อถึงคราวปรึกษางานต้องการผู้ที่ไม่พูดพร่ำยามมีข้าวน้ำต้องการผู้เป็นที่รักยามเกิดปัญหาต้องการบัณฑิตมหาสารชาดกที่สองจบ สวิสาสะโภชนะชาดกว่าด้วยภัยเกิดจากคนผู้คุ้นเคยกันเศรษฐีโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่บริษัทว่าบุคคลไม่ควรไว้วางใจในบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกันแม้ในบุคคลที่คุ้นเคยกันก็ไม่พึงไว้วางใจภัยย่อมมีมาจากบุคคลผู้คุ้นเคยกันเหมือนภัยจากแม่เนื้อมาถึงสีหะ วิสาสะโพชนะชาดกที่สจบ 4. โลมหังสะชาดกว่าด้วยการอยู่ในป่าที่น่าสะรึงกลัวคาถานี้ได้ปรากฏแจมแจ้งแก่นักบวชชีปเปลือยโพธิสัตว์ว่าเราเรา่าร้อนแล้วเบียกชุ่มอยู่ในป่าอันน่าสะรึงกลัวผู้เดียวเปลือยกายไม่ได้ผิงไฟเป็นมุนีค้นคว้าในการสแสวงหาพรหมจันทร์ โลมาหังสชาดกที่สี่จบหมหาสุทัศนะชาดกว่าด้วยพระเจ้ามหาสุทัศนะพระราชาโพธิสัตว์ทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะเมื่อจะสอนสุภัทนาเทวีจึงตรัสคถานี้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป การเข้าไปสงบระ ง, งับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขมหาสุทัศนะชาดกที่หจบ 6. เตลปัตตะชาดกว่าด้วยการรักษาจิตเหมือนการรักษาภาชนะน้ำมันพระาศาสดาทรงประมวลเรื่องในอดีตมาสาธกตรัสพระคถานี้ว่าบุคคลเมื่อปรารถนาจะไปสู่ทิศทางที่ยังไม่เคยไปพึงตามรักษาจิตของตนด้วยสติ เหมือนบุคคลประคับประคองภาชนะที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมไม่ให้หกเตละปตะชาดกที่หจบ 7. นามสิทธิชาดกว่าด้วยชื่อไม่เป็นของสำคัญอาจารย์ทิสาปามโมโพทิสัตเปรียบเทียบเรื่องที่นายปาปกะผู้เป็นสิทธต้องการเปลี่ยนชื่อเพราะเป็นอาประมงคลที่เขาเห็นมาและกรรมที่เขาทำจึงกล่าวคาถานี้ว่า เพราะได้เห็นคนชื่อเป็นได้ตายไปหญิงชื่อมีทรัพย์กลับตกยากและคนชื่อว่านักเดินทางแต่กลับหลงทางอยู่ในป่าในป่าปะกะจึงได้กลับมานามสิทธิชาดกที่เจดจบ 8. กูตะวานิชะชาดกว่าด้วยพ่อค้าโกงถูกไฟคลอกบิดาของอติบัณฑิตถูกไฟเผาจึงทะลึ่งขึ้นข้างบน ควักหญิงไม้โขนแล้วกระโจนโลงดินพลางกล่าวว่าธรรมดาบัณฑิตคนฉลาดเป็นคนดีส่วนคนชื่ออติบัณฑิตแสนฉลาดไม่ดีเลยเราถูกไฟคลอกหน่อยหนึ่งเพราะบุตรของเราที่ชื่ออติบัณฑิตกูตะวานิชชาดกที่8จบ 9. ปรโรสหัสส ช, ชาดกว่าด้วยคนมีปัญญาคนเดียวประเสริฐกว่าคนโง่ตั้งพัน ระษีโพธิสัตว์ทราบเหตุที่พวกอันดาพานไม่เชื่อสิทธหัวหน้าจึงกล่าวบรรยายอนุภาพของตนว่าบรรดาพวกที่มาประชุมกันพันกว่าคนพวกเขาเป็นคนไม่มีปัญญาพึงคร่ำครวญตลอดร้อยปีคนมีปัญญารู้แจ้งเนื้อความที่เรากล่าวแล้วเพียงคนเดียวเท่านั้นยังประเสริฐกว่าป ร, รสหัสชาดกที่เกาจบสิบ อาสาตะรูปชาดกว่าด้วยสิ่งที่ครอบงำคนขาดสติพระศาสดาทรงประมวลเรื่องในอดีตมาตรัสพระคถานี้ว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดีย่อมครอบงำคนประมาท ด, ด้วยอาการที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักย่อมครอบงำคนประมาท ด, ด้วยอาการที่น่ารักสิ่งที่เป็นทุกย่อมครอบงำคนที่ประมาท ด, ด้วยอาการแห่งความสุข อาสาตารูปรชาดกที่10จบลิตตวักที่10จบโรมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. ลิตชาดก 2. มหาสาราชาดก 3. วิสาสะโภชนะชาดก 4. โลมหังสะชาดก 5. มหาสุทัศนะชาดก 6. เตลปัตตะชาดก 7. นามสิทธิชาดก กูตะวานิชาชาดก 9. ปโรสะหัสะชาดกสิบอาสาตะรูปชาดกมชิมะปันนาจบสิบปโรสะตะวัก หมวดว่าด้วยคนเกินร้อยหนึ่งปโรสตะชาดกว่าด้วยคนมีปัญญาคนเดียวประเสริฐกว่าคนไม่มีปัญญาร้อยกว่าคนพระศ า, าสดาทรงประมวลเรื่องในอดีตมาตรับพระคาถานี้ว่าบรรดาพวกที่มาประชุมกันร้อยกว่าคนพวกเขาเป็นคนไม่มีปัญญาถึงจะเพ่งพินิจอยู่ตลอดร้อยปี คนมีปัญญารู้แจ้งเนื้อความที่เรากล่าวแล้วเพียงคนเดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าปรโรสตะชาดกที่หนึ่งจบ 2. ปั น, นิกะชาดกว่าด้วยอุบาสกชื่อปา น, นิกะลูกสาวของอุบาสกชาวกรุงพารณสีพอถูกบิดาจับมือเพื่อลองใจก็ร่ำให้พลางกล่าวว่ายาเมื่อฉันมีความทุกข์ คนที่เป็นที่พึ่งคือบิดาของฉันเองแต่กลับประทุษร้ายฉันในป่าฉันจะคล่ำครวญหาใครเล่าในถ้ำกลางป่าคนที่จะช่วยเหลือฉันได้กลับทำกรรมที่หน้าบัตสีเสียเองปัญญกะชาดกที่สองจบ 3. เวริชาดกว่าด้วยการอยู่ร่วมกับคนเป็นคู่เวรกันเป็นทุกข์มหาเศรษฐีโพธิสัตว์ หนีพวกโจรได้อย่างปลอดภัยจึงกล่าวอุทานว่าบัณฑิตไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่คนคู่เวรกันอยู่เพราะบุคคลเมื่ออยู่ในระหว่างคนเป็นคู่เวรกันคืนหนึ่งหรือสองคืนก็ตามย่อมอยู่เป็นทุก์เวริชาดกที่สจบ 4. มิตรวินทะชาดกว่าด้วยนายมิตรวินทะตกนรกเพราะความโลภ พระโพธิสัตว์เห็นนายมิตาวินทะตกนรกจึงกล่าวพระคถานี้ว่าท่านเมื ang, ang ang ่อมีความปรารถนามากเกินไปได้ครอบครองนาร่สี่นางไม่พอใจนางทั้งสี่ได้ครอบครองนารี8ดนางไม่พอใจนางทั้ง8ดได้ครอบครองนารีสิหนางไม่พอใจนางทั้ง16บหกได้ครอบครองนารี32สองนางไม่พอใจนางทั้ง32สองจึงได้ประสบจาก จ, จึงพัดผันอยู่ที่ศรีรษะของท่านผู้ถูกความปรารถนามากเกินไปขจัดแล้วนิตตะวินทชาดกที่สี่จบ 5. ทุพพลักัดทชาดกว่าด้วยช้างกลัวต้นไม้แห้งรูขเทวดาโพธิสัตว์เห็นช้างกลัวตายได้ยินเสียงลมพัดใบไม้แห้งก็วิ่งหนีจึงกล่าวว่า ลมพัดต้นไม้แห้งที่ผูกร่อนในป่าให้หักลงเป็นจำนวนมากนี่ช้างถ้าเธอยังมัวแต่กลัวต้นไม้แห้งนั้นก็จะสู้พร้อมเป็นแน่ทุปพลกัตถชาดกที่หกจบ6อุทันจันีชาดกว่าด้วยนางอุทันจนีดาบทผู้เป็นบุตรของพระโพธิสัตว์อดทนต่อการเคี่ยวเข็นของนางอุทันจนนีไม่ไหว นีไปหาบิดาแล้วจึงกล่าวว่านางโจรชื่ออุทันจนีเบียดเบียนข้าพเจ้าผู้อยู่อย่างสบายให้เดือดร้อนเพราะเรียกตนเองว่าเป็นพัญญาจึงร้องขอน้ำมันและเกลืออุทันจนีชาดกที่หกจบเจ็ดสาลิตกะชาดกว่าด้วยศิลปะในการดิ ก, ก้อนโกรด อมาดโพธิสัตว์เข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลลาไปเรียนศิลปะว่าขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้ชนิดใดชนิดหนึ่งก็สามารถให้สำเร็จประโยชน์ได้โดยแท้ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรหมู่บ้านในทิศทั้งสี่ที่คนม้อยได้แล้วเพราะการดีดมูลแพสาลิตะชาดกที่เจจบ 8. พาหิยะชาดกว่าด้วยศิลปะของหญิงสาวบ้านนอก พระโพธิสัตว์กราบทูลคุณค่าแห่งศิลปะที่ควรศึกษาว่าบุคคลควรศึกษาศิลปะทั้งหลายที่ควรศึกษาชนทั้งหลายที่พอใจในศิลปะเหล่านั้นยังมีอยู่เพราะว่าหญิงสาวบ้านนอกก็ยังทําพระราชาให้พอพระไทยด้วยความเอียงอายของนางพาหิยชาดกที่แปดจบ9ก้าบุญทปูวะชาดกว่าด้วย เทวดากินพลี ร, รมที่ทำจากรำข้าวเทวดาโพธิสัตว์สถิตเหนือข่าคบไม้พูดกับคนยากจนคนหนึ่งผู้มาทำาพลี ร, รมว่าคนบริโภคอย่างไรเทวดาของเขาก็บริโภคอย่างนั้นท่านจงทำขนมที่ทำด้วยรำข้าวมาอย่าให้ส่วนของข้าพเจ้าเสียหายเลยกุณทปูวะชาดกที่เก้าจบสิท สัพพสังหารกะปัญหาชาดกว่าด้วยการพูดของหญิงสองประเภทพระโพธิสัตว์ขัดสีเครื่องประดับอยู่เมื่อรู้ว่าดอกประยงบานแล้วจึงกล่าวว่ากลิ่นเครื่องอบทั้งปวงไม่มีมีแต่กลิ่นดอกประยงล้นล้วนฟุ้งไปหญิงนักเลงคนนี้พูดแต่คำหล่อแหละส่วนหญิงผู้ใหญ่พูดแต่คำสัตว์สัพพสังหารกะปัญหาชาดกที่สิบ ปรโรสตะวักที่11จบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. ปรโรสตะชาดก 2. ปัิกะชาดก 3. เวริชาดก 4. มิตรวินทะชาดก 5. ทุพลกัตทะชาดก 6. อุทันจนีชาดก 7. สาลิตกะชาดก 8. พภาหิย a ชาดก เก้ากุณฑ ป, ปูวะชาดกสิบสาภสังหาระกะปัญหาชาดกสิบสองหังศิวั์หมวดว่าด้วยการเยอะเยยหนึ่งคัตรพะปัญหาชาดกว่าด้วย ปัญหาเรื่องลากับม้าอสเดรพระโพธิสัตว์มโหสถบัณฑิตกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะพระมหาราผู้ประเสริฐถ้าพระองค์ทรงสําคัญว่าบิดาประเสริฐกว่าบุตรลาตนี้ก็ประเสริฐกว่าม้าอสเดรเพราะว่าลาเป็นพ่อมาอสเดรของพระองค์คตระพระปัญหาชาดกที่หนึ่งจบสอง อมราเทวีปัญหาชาดกว่าด้วยพระนางอมราเทวีพระนางอมราเทวีบอกใบทางไปบ้านแก่พระโพธิสัตว์มโหสถบัณฑิตว่าร้านขายข้าวสตูร้านขายน้ำส้มสายชูและต้นทองแหลงใบซ้อนที่มีดอกบานสะพรั่งมีอยู่ณที่ใดท่านจงไปณที่นั้นดิฉันถือภาชนะข้าวยาคู ด, ด้วยมือใดดิฉันบอกทางด้วยมือนั้น ไม่ได้ถือภาชนะข้ายาคูด้วยมือใดไม่ได้บอกทางด้วยมือนั้นหนทางนั้นเป็นหนทางไปสู่บ้านของดิฉันซึ่งตั้งอยู่ในป่าอุตรยวะวัมชคามขอท่านจงทราบหนทางที่ดิฉันกล่าวเป็นปริศนานั่นเองเถิดอมาราเทวีปัญหาชาดกที่สองจบสสิงคาละชาดกว่าด้วยพรามเชื่อสุนัขจิ้งจอก รุ ก, กเทวดาโพธิสัตย์ยืนอยู่ที่ข้าคบไม้แล้วกล่าวว่านี่พ่อพราหมณ์ท่านเชื่อสุนัขจิ้งจอกที่เดิมสุราหรือคนมีศิลปะหาสักร้อยคหาปณ ะ, ะยังไม่มีสุนัขจิ้งจอกที่ไหนจะมีถึงส0งร้คหาปณ ะ, ะเล่าสิงคาลชาดกที่สจบ 4. มิตรจินติชาดกว่าด้วยปลามิตรจินติช่วยปลาให้พ้นข่าย พระศาสดาทรงประมวลเรื่องอดีตมาตรัสพระคถานี้ว่าปลาชื่อพหุจินตีและปลาชื่ออั ป, ปจินตีทั้งสองตัวติดอยู่ในขายปลาชื่อมิตรจินตีได้ช่วยให้หลุดพ้นจากไข่ปลาทั้งสองตัวจึงได้มาพร้อมกันกันกบปลามิตรจินตีในหน้าน้ำ น, นั้นมิตรจินติชาดกที่สจบหอนุสาสิกาชาดก ว่าด้วยดีแต่สอนคนอื่นหัวหน้านกโพธิสัตว์กล่าวตำหนินางนกป่าว่านางนกป่าชื่ออนุสาสิกาพร่ำสอนนกเหล่าอื่นอยู่เนืองนิดแต่ตนเองกลับโลภจัดจึงถูกล้อรถบทขยี้ขาดเป็นสองท่อนนอนอยู่ที่ห้นทางใหญ่อนุสาสิกาชาดกที่ห้าจบ 6. ทุพจรชาดกว่าด้วยคนที่ว่ากล่าวได้ยาก นักระบาโพทิสัตว์กล่าวกับอาจารย์ผู้ไม่เชื่อคำของบัณฑิตว่าท่านอาจารย์ท่านทำการเกินกว่าที่จะทำได้การกระทำนั้นไม่เป็นที่พอใจผมเลยท่านกระโดดข้ามพ้นห อ, อกเล่มที่สีได้แล้วถูกห อ, อกเล่มที่ห้าทิ่มแทงทุปะจะชาดกที่หจบ 7. ดติติระชาดกว่าด้วยนกกระทา ดาบทโพธิสัตว์ชี้เหตุสองประการที่ทำให้นกกระทาถูกฆ่าว่าคำพูดที่ดังเกินไปรนแรงเกินไปและพูดเกินเวลาย่อมฆ่าคนมีปัญญาสามเหมือนเสียงฆ่านกกระทาที่ขันดังเกินไปติตติระชาดกที่7จบ 8. วัตตะชาดกว่าด้วยนกรนกระจาบนกกระจาโพธิสัตว์ บอกอุบายที่รอดชีวิตมาได้ว่าคนเมื่อไม่คิดก็ไม่ได้บรรลุคุณธรรมวิเศษท่านจงดูผลกรรมที่เราคิดแล้วเราพ้นแล้วจากการถูกฆ่าและการจองจำด้วยอุบายนั้นวัตกะชาดกที่8ดจบ 9. อาการละราววิชาดกว่าด้วยไก่ที่ขันไม่ถูกเวลาปุโรหิตโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่า ไก่ตัวนี้ไม่ได้เจริญเติบโ ต, ตอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้อยู่ศึกษาในสำนักของอาจารย์จึงไม่รู้เวลาที่ควรขันและไม่ควรขันอาการละราวิชาดกที่เกจบ 10. พันธนะโมกขาชาดกว่าด้วยการหลุดพ้นจากเครื่องจองจำปุโรหิตโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่าสถานที่ที่คนพานเอ่ยปากขึ้น คนที่ไม่ควรถูกจองจำก็ถูกจองจำสถานที่ที่นักปราดเอ่ยาขึ้นแม้คนที่ถูกจองจำก็รอดพ้นพันธะนโมกขาชาดกที่10บจบหางสิกวัคที่12บสองจบรวมชาดกที่มีในวัคนี้คือ 1. คัตรพะปัญหาชาดก 2. อมาราเทวีปัญหาชาดก 3. สิงฆะชาดก 4. มิตจินติชาดก 5. อนุสาสิกาชาดก 6. ทุพพจชาดก 7. ติติตระชาดก 8. วัตกะชาดก 9. อาการละราวิชาดก 10. พันธนะโมขะชาดก 13. กุสน า, าลิวัตหมวดว่าด้วยกอญ้าหนึ่งกุสนาลิชาดกว่าด้วยเทวดาที่ต้นรุจาผูกมิตรกับเทวดาที่กอญ้ารุกเทวดาสรเสริญมิตรธรรมของพระโพธิสัตว์ว่าบุคคลเสมอกันประเสริฐกว่ากันหรือเลวกว่ากันก็ตามก็ควรทำมิตรไมตรีกันไว้เพราะว่ามิตรเหล่านั้นเมื่อความเสื่อมเกิดขึ้น ก็พึงทำประโยชน์อันอุดมให้ได้เหมือนเราผู้เป็นเทวดาสถิตยอยู่ที่ต้นรุจากับเทวดาผู้สถิตยอยู่ที่กอหญ้าทำ ม, มิตรไมตรีกันกูษนาลิชาดกที่หนึ่งจบ 2. ทุมะเมทะชาดกว่าด้วยคนมีปัญญาสามนายควานช้างกราบทูลพระราชาว่าคนมีปัญญาสามได้ยศแล้ว ประพฤตสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทุมะเมทะชาดกที่สองจบ 3. นางคลีสะชาดกว่าด้วยคนโง่สำคัญนมส้มว่าเหมือนงอนไถยอาจารย์ที่สาปาโมกคิดถึงเหตุที่ไม่อาจให้คนมีปัญญาอ่อนศึกษาได้จึงกล่าวว่าคนโง่กล่าวคาที่ไม่ควรกล่าว ในเหตุการณ์ทุกอย่างในที่ทุกสถานเขาไม่รู้จักนมส้มและงอนไทยสำคัญนมส้มและนมสดว่าเหมือนงอนไทยนางคลีสะชาดกที่สาจบ 4. อัมพชาดกว่าด้วยดาบทฉันมะม่วงฤาษีโพธิสัตว์ได้เห็นเหตุที่ดาบท5าร้อยอาศัยดาบทผู้สมบูรณ์ด้วยวัดเป็นอยู่จึงกล่าวว่า คนฉลาดควรพยายามร่ำไปไม่ควรเบื่อหน่ายท่านจงดูผลแห่งความพยายามต้นไม้มีมะม่วงเป็นต้นที่พวกเรศีได้ฉันโดยไม่ได้ออกปากหนึ่งเนืงองอามพชาดกที่สี่จบ 5. กตาหกะชาดกว่าด้วยท่าชื่อกตาหกะจิดาเศรษฐีกล่าวคาถานี้โดยทํานองที่เรียนมาในสำนักพระโพธิสัตว์ว่า บุคคลไปยังชนบทอื่นแล้วกล่าวข่มขู่โอ้อวดไว้มากมายเจ้ากตาหกะนายของเจ้าจะติดตามมาประทุษร้ายเจ้าจงใช้สอยสมบัติเถิดกตาหกะชาดกที่ห้าจบหกอาศิลษณาชาดกว่าด้วยผู้รู้ลักษณะดาบพระราชาทรงพระสวนต่อพราหมณ์ได้ตรัส บ, บอกเหตุที่พระองค์ทรงจามแล้วได้พระราชธิดา และได้ราชสมบัติว่าเหตุการ์อย่างเดียวกันนั้นนั่นแหละเป็นผลดีแก่คนหนึ่งแต่กลับเป็นผลร้ายแก่อีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเหตุการ์อย่างเดียวกันนั้นนั่นแหละมิใช่จะเป็นผลดีไปทั้งหมดหรือมิใช่จะเป็นผลร้ายไปทั้งหมดอสิลักษณะชาดกที่6จบ 7. จกาลันทุ ก, กะชาดกว่าด้วยชาติกำเนิดของนายกาลันทุ ก, กะ ลูกนกแขกเต้าโพธิสัตว์กล่าวเตือนทาดกลันทุกะว่าเราเที่ยวอยู่ในป่ายังรู้ชาติกำเนิดของเจ้าได้นายของเจ้าทราบแน่ชัดแล้วต้องจับเจ้าไปเจ้ากลันทุกะเจ้าจงดื่มนาสดเสียเถิดกลันทุกะชาดกที่เจจบ 8. พิลาระวะตาชาดกว่าด้วยวัดของแมวพญาหนูโพธิสัตว์ กล่าวตำหนิสุนักจิ้งจอกว่าผู้ใดกล่าวเชื่อชูทำให้เป็นธงชัยล่อลวงให้เราสัตว์ตายใจแล้วซ่อนตนประพฤติ ช, ชั่วความประพฤติของผู้นั้นชื่อว่าเป็นความประพฤติของแมวพิลาระวะตะชาดกที่8จบ 9. ก้าอคิขรชาดกว่าด้วยสุนักจิ้งจอกชื่ออคิขพะพญาหนูโพธิสัตว์กล่าวติเตียนสุนักจิ้งจอกว่า ปลอยผมนี้ไม่ได้มีไว้เพราะเหตุแห่งบุญมีไว้เพราะเป็นเล่ห์อ้างเพื่อการหากินหมูหนูมีไม่ครบตามจํานวนหางอาักิกะพอกันทีเถิดสาหรับท่านอาักิกะชาดกที่เกจบ10โกศิยาชาดกว่าด้วยนางพรามณีชื่อโกศิยามานพกล่าวเตือนนางพรามณีว่านี่นางโกศิยา เธอจงกินยาให้สมกับที่แ้างว่าป่วยและจงพูดให้สมกับอาหารที่กินเข้าไปคำพูดกับอาหารที่เธอกินทั้งสองอย่างไม่สมกันเลยโกศิยชาดกที่10บจบกุชนาลิวักที่13จบรวมชาดกที่มีในวรกนี้คือ 1. นึ่กุชนาลิชาดก 2. ธุมาเมทชาดก 3. นางคลีสะชาดก 4. อัมพาชาดก 5. กตาหากะชาดก 6. ออสิลคณาชาด ก, าาาดก 7. กรันทุกะชาดก 8. พิลาระวัตาชาดก 9. อาอคิกะชาดก 10. โกิยะชาดก ส, สิอสัมปทานวักหมวดว่าด้วยการไม่รับสิ่งของ 1. อสัมปทานชาดกว่าด้วยการไม่รับสิ่งของทําให้เกิดการแตกร้าวสังคเษธีโพธิสัตว์กล่าวกับพัญญาผู้ร้องไห้อยู่ว่ามิตรไมตรีของผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนพานย่อมเป็นโทษเพราะการไม่รับสิ่งของเพราะฉะนั้น พี่จึงนำเข้ารีบเครื่องมานะมาด้วยคิดว่ามิตรไมตรีของเราจะได้แตกร้าวเลยขอมิตรไมตรีของเรานี้จงยั่งยืนต่อไปอาสัมปธานชาดกที่หนึ่งจบ 2. ปัญจพีรุกกชชาดกว่าด้วยความไม่หวาสะดุ้งกลัวพระโพธิสัตว์คิดถึงเหตุการณ์ที่ตนรอดพ้นจากนางยักษณีจึงเปล่งอุทานว่า เราไม่ตกอยู่ในอำนาจของพวกรากสดเพราะความเพียรอันมั่นคงในคำแนะนำของท่านผู้ฉลาดและเพราะความไม่หวาดหวั่นต่อภัยและความสะดุ้งกลัวความสวัสดีจากภัยอันใหญ่หลวงนั้นจึงมีแก่เราปัญจพีรุ ก, กชาดกที่สองจบ 3. คตาสนะชาดกว่าด้วยภัยเกิดจากที่พึ่ง พญาโนกโพธิสัตว์เห็นเปลวเพลิงลุกโคลงจากน้ำจึงชวนพวกนกไปอยู่ที่อื่นว่าความกเกษมสำราญมีอยู่บนหลังผิวน้ำใดบนหลังผิวน้ำนั้นมีศัตรูเกิดขึ้นไฟลุกโพลงอยู่ท่ามกลางน้ำวันนี้จะอยู่บนต้นไม้ซึ่งเกิดที่พื้นดินไม่ได้อีกพวกเจ้าจงพากันบินไปยังที่ต่างๆเถิดวันนี้ที่พึ่งของพวกเรามีัยเกิดขึ้นแล้ว ตาชนะชาดกที่สามจบ 4. ชาณโสธนะชาดกว่าด้วยสุเกิดแต่ฌานพระโพธิสัตว์มาจากพรหมโลกชั้นอภัสระพรมอยู่ในอากาศแล้วกล่าวว่าสัตว์เหล่าใดมีสัญญาแม้สัตว์เหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นทุกขตะสัตว์สัตว์เหล่าใดไม่มีสัญญาแม้สัตว์เหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นทุกขตะสัตว์ พวกท่านจงละเว้นสัญญีพบและอสัญญีพบทั้งสองอย่างนั้นเสียความสุขอันเกิดจากสมาบัตินั้นเป็นความสุขที่ไม่มีกิเลสเครื่องยวนใจชาณโสธนะชาดกที่สี่จบ 5. จันทาภชาดกว่าด้วยผู้เจริญแสงจันเป็นอารมณ์พระโพธิสัตว์มาจากพรหมโลกชั้นอภัสรพรมอยู่ในอากาศแล้วกล่าวว่า บุคคลใดในโลกนี้ยังถึงกระสินมีแสงจันทร์และแสงอาทิตย์เป็นอารมณ์ด้วยปัญญาบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงอภัสระพรมได้ด้วยฌานอันไม่มีวิตกจันทะพระชาดกที่หจบ 6. สุวรรณหังสรชาดกว่าด้วยพญาหงทองถูกถอนขนพระศ า, าสดาทรงประมวลเรื่องในอดีตมาตรัสสอนทุนลนันทาภิกษุณีผู้มากๆแล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลได้สิ่งใดควรยินดีสิ่งนั้นเพราะความโลภเกินไปเป็นความชั่วแท้นางพรามณีจับอพยาหงทองแล้วจึงเสื่อมจากทองคำสุวรรณหังสชาดกที่หจบ 7. พระพุชาดกว่าด้วยวิธีทำให้แมวตายพระาศาสดาทรงประมวลเรื่องในอดีตมาตรัสพระคาถานี้ว่า แมวตัวหนึ่งได้หนูหรือเนื้อในที่ใดแมวตัวที่สองตัวที่สามและตัวที่สี่ก็เกิดในที่นั้นแมวเหล่านั้นเอาอกกระแทกปล่องแก้วผลึกนี้แล้วสิ้นชีวิตพระผู้ชาดกที่เจ็ดจบ 8. โคทชาดกว่าด้วยพญาเฮียพญาเฮียโพธิสัตว์ติเตียนดาบดว่านี่เจ้าผู้โง่เขลาจะมีประโยชน์อะไรกับเจ้า ด้วยชดาและการนุ่งห่มหนังเสือเหลืองภายในของเจ้าแสนจะรกรุงรังเจ้าดีแต่ขัดสีภายนอกเท่านั้นโคทชาดกที่8ดจบ 9. กอุปโตพัฒชาดกว่าด้วยผู้เสื่อมประโยชน์ทั้งสองด้านรุกเทวดาโพธิสัตว์กล่าวติเตียนในพรานเบ็ดว่าตาของเจ้าก็แตกทั้งสองข้างผ้านุ่งก็หาย พัญญาของเจ้าก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้านแล้วการงานทั้งทางน้ำและทางบกก็เสียหายทั้งสองด้านอุพโตพัถชาดกที่9ก้าจบ 10. กกากระชาดกว่าด้วยกาไม่มีมันเหลวปาโพที่แสดงธรรมว่ากาทั้งหลายมีใจหวาดผวาอยู่เป็นนิดมีปกติเบียดเบียนชาวโลกทั้งมวล เพราะฉะนั้นมันเหลวของกาทั้งหลายผู้เป็นญาติของข้าพเจ้าจึงไม่มีกากชาดกที่10บจบอสัมปทานวักที่14จบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. อสัมปทานชาดก 2. ปัญจพีรุกชาดก 3. กตาสนชาดก 4. ชาณสุธนะชาดก 5. จันทาภชาดก 6. สุวรรณหังสชาดก 7. พพุชาดก 8. โคทชาดก 9. อุปตโตพัฒชาดก 10. กากระชาดก